พระข้างพุทธการท่านดูกันเป็นจำนวนมากก็มียีสิบสา ม, ส, ามสิบองค์ในที่บางแห่ง ต, งตงามตำนาท่านบอกว่าอย่างไรเดีกลางวั น, นเหมือนมันมีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะกัน พอหายเงียบประกันประกันที่สอ ง, งเห็นพระท่านเก่งคึ้นไม่คุยไม่คุยไม่หยอกไม่เล่นกันพรเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันพวกเขาไม่สาบเรื่องการดําเนินของพระนะต้องการจะพบท่านก่อนอะไร ทำไม้ไปเคาะรักรังอะไรอย่ น, นี้นล้นก็หมากและการอยู่กันเป็นจำนวนมากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องหมากในวากิดใด เกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเป็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดซักผ้าย้อมผ้าขนน้ำเกนจะตุ่มสีหายเหล่านี้เป็นกิจนส่วนรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทำ ตางคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจําเป็นของตนที่ต้องทําด้วยกันสองกับเรามุ่งมาเพื่อคุณงามความดีเพื่ออัดเพื่อทําทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เป็นธรรมชอบทำแล้วต้องได้ทําสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตเล็ทั้งหมวลการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบ แขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทำดีที่นั่นไม่ถือว่านั่นเป็นวัดของท่านนี่เป็นวัดของเรานั่นเป็นกิจการการของท่านนั่นเป็นข้อวัดวัดของท่านนี่เป็น กิจของเราเป็นข้อวัดของเราไม่ใช่อย่างนั้นต้องเลยต่างคนต่างช่วยกันทำเพื่อความพร้อมเพียงเป็นสำคัญให้กิจการก็เรียบร้อยไปโดยไม่ได้รับข้อหนักใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความขี้เกียจข้ลานความหมิ่นเกลียตัวความอารัดเอเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทําลายกิจใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ ไม่ให้มีหรือไม่มีดูตั้งใจปฏิบัติธรรมเ้ยกำจัดเราจะเห็นได้มาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดจะอ้ออย่างไรนั้นเห็นได้ในสิ่งเหล่านี้มันแทรกมันแซงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามางทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซงอยู่ในหัวใจของพระของเนรเหล่านี้ ผู้ปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่กําจัดสิ่งเหล่านี้ซึเป็นของห ย, บหยาบๆกว่ากิเลสประเภทอื่นแล้วเราจะแก้กิเลสประเภทที่ยวเอียดยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งห ย, บหยาบๆการประกอบความภาคเพียรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิต จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ยิ่งต้องถือธรรมเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอไม่ปล่อยวางอันนีกว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมเครื่องปราตประหารกิเลสสังสมใน เนื้อในกายในจิตในใจในกิริยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหาอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังจมอย่างลึกบางกิเลสไม่ใช่เป็นของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปัญญาของเราจะหยั่งถึงมันได้ไ ง, ไง่าย ด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ อ, อุปมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันต่อการแก้การถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆ้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะสราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้หากไม่เคยกําจัดไม่เคยต่อสู้กัน เคยชำระศาสามาก่อนแล้วจากไม่ทราบว่าวกิริยาหระอาการใดที่สแสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของเจตหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลยเพราะามีแต่ธรรมชาติอันเดียวทั้งนั้นเป็นเจ้าของของหัวใจเป็นเจ้าของขอ ง, ของมารยาท ของเนื้อของหนังทุกสัตว์ทุกส่วนมันครอบครองอยู่หมดจึงแม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันกับเรามันเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะทําอะไรก็กลัวกระเทือนเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆถ้าเป็นสิ่งดีงามแล้วมันจะทําการจีบขวางให้เกิดความทอดแท้อ่อนแอ ให้เกิดความท้อถอยอืดอาดหน่อยนายพอจะประกอบความภาคเพียรเหมือนจะถูกหามเขาไปฆ่านั่นนี่เวลากิเลสมันมีกําลังมันเป็นอย่างนี้นแต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบมันเป็นกิเลสเวลานั่งพรสมาธิภาว น, นาความพยายามด้วยความตั้งใจเดิมนั้น ตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทําหน้าที่แทนหายในความเพียนนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัดรมตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้มีแต่กิเลสเข้าทามาน ปวนปั่นจิตใจในคิดโน้นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหน่อยไม่หมดไม่มีกิริยาแห่งความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตดวงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลสปล่อยวางมันกินซะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็ แล้วสติก็ลึกได้ว่าตนนั่งภาวนาแล้วก็มาทวงผลด้วยเวล่าวลามานั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงกรมนานเท่านั้นเท่นี้เท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนั่นการมาทวงเช่นนี้ก็ทพ่อจะแวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งนั้น เนี่ยจะไปแง่ไหนที่นี่มันมันถึงจะดีภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะพี่เด็กไปทําหน้าที่ของมันด้วยความเป็นค่าสิบต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีออย่างน้อยก็นอนซะดีกว่ามากกว่านั้นก็ทำปัจจายความเพียรนี่มิม้นได้เรื่องเดียวเราเลย ยิ่งไปกว่า น, นั้นก็ศึกจะดีกว่ามันมีตั้งแต่คลมุบายของกิเลสทั้งมวลที่หลอกหัวใจเราหัวใจคนนี่เราก็ไม่ทราบตอนนั้นจะทราบได้ยังไงเมื่อสติปัญญายังไม่เหนือมันแต่ความพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้มันมีได้เพราะกำลังของกิเลสมันมากที่ว่าจิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความพุ่งพ่าดวุ่นวายเพราะอะไร ก็อพกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ป่วนปันวุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อทำไม่ได้แทกเข้าไปเลยคือสติผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่ใช้ส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันเวลานั้นอีกิตมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมากมันทาการป่วนปัน ทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแทน่นบรลลังแห่งความเพียรของเราไม่มีรื้อเป็นะฉะนั้นผลที่พึงใจจะได้อย่างไงเพราะเราไม่ได้ทำเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเปลียนมันมีเด็กกิเลสมาทำหน้าที่ของมันเกิด ท, ทั้งสิ่งในเอียบทต่างๆ แม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียนอยู่ก็าตามนี่เพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมพลิกแปงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดาความแยบคาของกิเลสที่มาเสี่ยมสอนจิตใจเราเราจึงไม่ทราบแล้วก็แวบแนวไปตามกิเลสเสียนี่พอเมื่อเรื่ ทำความพยายามอยู่ตลอดเอาแพ้ก็ยอมมาแพ้เวลาฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเวลากิเลสมีอำนาจมันเอาไปแต่ความพยายามไม่ลดละไม่ถอยหลังสู้มันอยู่เรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้เทียเล็กระน้อยจิตไม่เคยสงบก็สงบตัวได้นอ่าสงบตัวได้หุนหนึ่งสองหนเข้าไปแล้วก็ชื่อวัดได้หลักฐานพยาน ได้ความปแปลกปราดได้เครื่องดื่มดำภาณจิตใจเป็นเครื่องฝังศรัทธาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลที่ปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายใจิตใจแล้วแม้ในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้ก่อตาความพยายามซึ่งจะตามมาจากศรัทธาความเชื่ออันอย่างลง เรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่จะตามมาเองศรัทธาความเชื่อนั้นก็ไม่ลดละไม่ถอยท่านถึงเรียกว่าอัจฉริศรัทธาคือศรัทธาฝังลึกในความจริงที่ตนได้เคยเห็นผลมาแล้วไม่หวั่นไหวมันได้บ้างเสียบ้างก็ยอมรับว่าได้บ้างเสียบ้างแต่ความอยัง่งของศรัทธาที่เคยได้เห็นผลแล้วนั้นไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมา หลายครั้งหลายผลกฏได้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ถือว่ากิบนี้เป็นกิจจำเป็นของเราและเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่ขวงงานต่อสู้กับกิเลสให้พึงทราบาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายๆได้ตามมากตามหมายตามความต้องการทุกเร่เวลา ที่ประกอบความผาเพี้ยนหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มาจจะจันกิเลสก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะน่ากลัวนะแม้จะทําเราให้เป็นทุกข์เราคลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉี่ยวฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั่นเอง คนเราจึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจเราทราบไว้อย่างนี้แล้วเราก็พยา ย, ยามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกยากลำบากเพียงไรก็าตาง ม, มันเป็นงานของเราเพื่อจะลื้อถอนพบถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเสียบหรือปักลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมด ออกให้หมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังพระยาษสูตรท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพวกอสูรรบกันกับพวกพระอินร์อะไรเมื่อเกิดความหนุลึกสอนพระอ น, นี้เหมือนกันย่นเข้ามาหาสอนพระ อันเดยรุขโมลเรวาสุญญาการเรวาพิกขคมมเมื่อผันทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุขมลโมลลมไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความฝาดเสียวหรือบ้านคึงขึ้นมาให้ถึงยกธงยกทงสามสีทัาเทียบอย่างเราทุกวันนี้คือพระพุทธเจ้า ขึ้นมาความครัวนั้นก็จะหายตันว่างความหบาดเสียวความครัวนั้นจะหายความพ อ, พองสยองกล้าวเพราะความครัวนั้นก็จะระ ง, งับดับไปสันที่แบบอะไรระลึกพระพุทธเจ้าเมื่ก่อนอาถรพุททางเสอยายาติเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ระลึกถึงพระธรรม แบบเดียวกันหาลึกถึงประทามกิตใจ ย, ยังไม่สงบตัวลงได้ให้ลึกถึงประสงค์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถ้ถออ่อนแอขึ้นมาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วในประวัติของท่านท่านทุกขขนาดไหนมาเรามันทํายาก สวนเรามันทำยากมีแต่ยาลกรกรุงดังปกคลุมหุ้มห่อไปหมดเราจะไปปักดำมาเลยปักดำมาเลยนั้นไม่ได้มันต้องถากต้องถางต้องสับต้องฟันให้และเอียดทั้งคราดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปักควรดำควรเพาะปลูกสิ่งต่างๆค่อยปลูกลงไปได้ ม น, นาเราทำยากเราก็ต้องเอาให้เต็มที่เราจะทำแบบมาเขาทำง่ายสวนเขาทำง่ายอย่างนั้นไม่ได้กิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยากเอา ก, ก, ก็แก้ยากเอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขั้นของบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางก็มีมกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนานแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้ ที่เด็กครอบเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยอันนั้นก็เป็นพวกปัทะทะประมะถ้าเป็นโรค ก, กับประเภทที่ไม่ดูหมอไม่ฟังยามีแต่จะตายท่าเดียวนั่นก็สุดที่สัยแต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอุทิี กิเลสเบาบางกับประเภทอุคติตันอยู่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ไง่ายเพราะทีเเบาบางมาแล้ววิปจิตันยอยู่รองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางเช่นเดียวกันแต่รองกันลงมาเลกน้อยเนยยะเป็นผู้ควรตักเตือนแนะนาสั่งสอนได้ หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นไปได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ตักเตือนแนะนําสั่งสอนทั้งตนเองเป็นผู้แนะนําพร่ำสอนตนเองด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนเกก็ค่อยบานลงแต่บานลงไ ป, งงไปทัผลบดเวลาจะรู้ก็เป็นอุคติตันยูเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นั่นขณะเดียวเท่านั้น เลิกหมดโลกธาตุภายในหัวใจนี่เลเนือหรือถอนมาในเบื้องต้นโดยลำดับลำดับมานั้นแสนทุกแสนยากแสนลำบากชาหาัดเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับวันนาของเราเป็นเช่นนี้เอาเราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียงย่าถอยเป็นอันขาดลูกศิทถาโคตรหรือธรรมของพระเจ้าไม่มีปดใด ที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและได้ผลมาแล้วพร้อมทงการแนะนำสั่งสอนไปเป็นเยี่ยมทุกอย่างเพระนาะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวทรรมให้นามาประพฤติปฏิบัติให้นามาต่อสู้กับกิเลส วิริยะธรรมนี่สังเกตสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมๆทั้ทงนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจายไม่มีเหลือภายในดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนำไปใช้ ทำไมท่านถึงได้ผลเป็นที่พอพระไทยและพอใจจนกลายเป็นเสนะของพวกเราได้ท่านทำวิทีใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาทำพาดำเนินมามาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องดาเนินต่อสู้กับกิเลสนี่ชื่อว่าลูกศิษย์มิลลูกศิษย์มิครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นแสณนะ ยึดทั้งข้อปฏิบัติปฏิปทาเครื่องนาเนินทั้งวิรยิยะอุสาหะทั้งสติทั้งปัญญาศัทาความเพียรทุกแง่ทุกมุมยึดมาเป็นคติแก่ตัวเองท่านนาเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เครื่องนาเนินไม่ลดละท้อถอยไม่ปล่อยวางเอาจนได้ชัยชนะมเมื่อถึงขั้นมันยาก ก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทาเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียวยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเรี่ยวเต็มแรงแม่งั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหวงานประเภทต่างๆมีหนักมีเบาการแ ก, รก้ยิเล็ประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้น หากเราจะไปถือวันหลักนะแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อาการดำเนินของต้นแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับธรรมะทุกบททุกบาทที่ประทานมาแล้วนี้เป็นธรรมะสดสดร้อนร้อน ไม่มีคําว่าคลื้อาล้าสมัยผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่าำกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบําเพ็ญของเราที่จะให้เป็นคนดีตามกับสติกําลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับการปราบปราบกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งทั้ ง, งพุทธกาลแรกข้างนี้ไม่มีอะไรผิด แ, แต่แตกต่างกันไปเลยนอกจากความพากเปียนความอุตสาห์พยายามความโม้ความฉลาดของเราเท่านั้นมีต่างกันกันกบท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาเพาราะฉะนั้นจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดําเนินให้ดีทติตั้งให้ดีทัตติเป็นของสําคัญมากในวงความเปลี่ยนาขาดสติไปเสีย ก็เท่ากับขาดความเปลี่ยนไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเปลี่ยนขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินยุบคมอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเปลี่ยนเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสําคัญปาดต่อยากไม่ได้ดังแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมคืนกันไป แต่ถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดแล้วในขั้นล่มดุกคลุกคลานนี่คืขั้นขาดแล้วติดติดแล้วต่อกันอย่างนี่ยุ่งกันด้วยหมดอนี่ขาดแล้วต่อไม่ได้กันหมดสติขาดไปเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดปวกเปียกอย่างนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าให้มีความเข้มแข็งมีความอดทน มีความพิรุธพิจารณาไข่ครวนทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนนี่ชื่อว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุเทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้ปีนี้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสเพื่อจะเกิดเลื่อมทำนั้นเนี่ยและเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่ว เขาสติปัญญาเข้าไปจับพินิพิจานาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็รงะงับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็รงะงับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกําลังมากมขึ้นไปโดยลำดับด้วยการพิณิพิจารณาด้วยความไม่ประมาทด้ความมีสติมีเป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสําหรับผู้จัด ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยรวมอย่าให้ขาดว่าขาดต่อนอย่าลืมว่าภาระที่เรากำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลาไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยชุดช่วยลาก ช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาออกจากใจของเราได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆดังพระพุทธเจา้าสั่งสอนไว้ว่าตุ้มเให้จิตจังอาตับตังอาขาตาโรตถา ต, ตถาตถางานเป็นตอดถอนจิตเดชทั้งมวลเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายมีของท่านทั้งหลายจะทําเอง พระพุทธเจ้าทาั้งหลายเป็นผู้ชี้แนวทางอุบหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสใหเ้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากหวังพึ่งผู้ใดอัตตาหิปนนาโถเมื่อได้รับโอวาจาครูจากอาจาจรย์มาแล้วให้ยึดเข้ามาเป็นหลักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นค่าศึกฝังจมอยู่ภายในใจิตใจนี้ให้ออกได้ด้วยอัตตาอัตอตาหิปนุนาโถ ổ. เป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของตนตนเป็นผู้ต่อสู้เพื่อตนเองเพื่อชัยชนะของตนเองเพราะคำคำว่าแพ้ก็เราเป็นผู้แพ้คนอื่นไม่แบ่งมาแพ้กับเราได้แบ่งหนักแบ่งเบาให้เราแพ้น้อยลงคนอื่นแบ่งเอาไปบ้างอย่างนี้ไม่มีเราแพ้ก็ต้องแพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อชนะก็ต้องเอาให้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะชนะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำต้องประกอบ การต่อสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาเหตุนูนาโถของเราเองนั่นแหละผลนั่นจะปรากฏขึ้นมาคำว่าอัตตาเหตุนูนาโถนี่ฟังเผินๆแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเอง จึงได้ทราบว่าอาตารย์อิทธนุนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดมากทีเดียวก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนนี่ไม่ใช่คนโง่เขลาบอป ร, รัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนธรรมนี่พระพุทธเจ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาบอปรัญญาเมื่อไหร่การทำที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของ ความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุธทธเจ้าโง่สอนธรรมไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาถึงขั้นความเพียนที่เป็นอัตตารนโอาโถอย่างชาัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะไปะจากอยู่กับตัวเอง มันไม่มีใครจะช่วยเราได้เนี่ยังที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอกจนมุมนั้นหนะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิกตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกดื่ยการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันตรงให้หมดชีวิตติดใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นละอตาินตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้ ทัปปิปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอกจน ม, มุมนั่นแหละอยู่เฉยๆม่จนกรอกมันไม่ได้ใช้ความคิดคนเราเมื่อเข้าจนกรอกถูกทุกถูกเหตุการณ์บังคับบีบขั้นเข้าโดยลําดับลำดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทําไมคนเรายังจะจะยอมตายเฉยเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดตองคนยิ่งผู้ต้องการให้ท่าทีเดชอาสวะทุกประเภทไม่เหลืออยู่ ภายในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไงก็ขณะนี้เป็นขณะที่ต่อสู้ฆ่าศัตรูอย่างเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงไทยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่แหละอัตติโนนาโถเห็นเด่นทัด กับคำที่ว่าคนเราไม่ได้ง่อยู่ตลอดไปเมื่อถึงคราวจนกรอจนมุมแล้วฟิตตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนห ล, ลุดีกปลีกตัวออกไปได้ได้ ช, ชนะขึ้นมาในขณะที่จนกรอบเป็นลำดับลำดาไม่สงสัยนี่เคยได้ดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นที่ลงใจอย่าท้อถอยสติปัญญาให้นำมาใชาย้ยาอยู่เฉยๆภาวนาก็อย่าให้พิเลตตัวขี้เกียจ ก็ไปแทกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพิพจิิิิิิิิิิิิยิิิิิิิิิิิินินิิิิิิิิกิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิงิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิินิินนิิิิิอิจจมมิิิิยิิยนนยิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ไม่ขาดวัดขาดตอ น, นการเวลาที่ควรพิจารณาก็ให้เยนงานจากความสงบมาสู่ความคิดคน้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวธรรมซึ่งมีอยู่ในขันของเหล่านี้เป็นสําคัญมีอยู่ในรูปคือกายเลทนาช ญ, ญาสังขานทุก อ, อย่างนี้จึงออกมาจากใจใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่ ไม่ น, น่าจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งนั้นเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความจงใจยาศักด์แต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อีกนานอาใจเหมือนกันดูกิจยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นักจะไม่ค่อยมีความแยบขายอันนี้สอดถึงเรื่องปัญญามันบอกออกมาใารนอกมันบอก สแสดงความโง่ความสลาดมันไม่สแสดงออกมาจากใจสแสดงมาจากไหนมาเป็นกิริยาทางกายทางวาจาความประพฤติการกระทาต่างๆมันบอกอยูนน่นั้นดังนัจึงไม่พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวล สมาธิเป็นแต่เพียงว่าตล่อมยิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้นที่เรียกว่าจิจตสงบก็คือกิเล่มันนอนพ้นเหมือนกับตะกรอนนอนพ้นอก น, นอนกองอยู่ในนั้นแล้วจะปฏิบัติต่อตะกรอนอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกแง่นี่นั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิ จิตขอเราสงบสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าจิตสงบตัวเข้ามาพาให้จิตทีเล็กสมถะรมทําให้กิกเลสสงบตัวเข้ามาแต่เวลาที่จะแยกจะแย่กิเลสแต่ละประเภทออกมาฆ่ามาทําลายเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้น ถึงมันสงบมันก็ยุดมันยับออกไปมันก็ยุดอยู่ในภายในกายนี่มันก็ยุดขันทั้งหานหมดทั้งดวงใจถึงสงบมันก็ยุดเพราะฉะนั้นจริงต้องได้ลี้คายออกมาถึงเวลาที่จะทําลายกันแล้วลี้คายมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนพอเข้าใจ เต็มที่แล้วมันต่อยของมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนเวรียกว่ากองรูปขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปได้แก่ร่างกายนี่จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาแต่พิจารณาหนัง ก็ซึมซาเข้าไปถึงเนื้อถึงเอง็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครภพอพอกันทั้งภายนอกภายในพอดูได้อยู่บ้างแล้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยังที่เงื้อที่ใครก็เต็มอยู่แล้วก็เป็นขี้ทั้งหมดบนศีษะวิเศษ หรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ํามันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจรารณารูปกายเราจะพิจารณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเท่ากันแต่พูดถึงนหอนึ่งอสุภะอสุภังเป็นจริงที่น่าเกลียด น, น่าขยะขยะง่าย น, น่ายึบหน้าถือมันก็เหมือนกัน พิจาณาเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกส่วนมันแปรเหมือนกันไม่มีส่วนไหนที่จะยักย้างตั้งตัวอยู่โดยไม่เดินตามทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกี่ยวโยงกันไปทำหน้าที่พร้อมๆกันไปจนกระทั่งมีความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้ว อันที่มันยึดถือเคยยึดถืออยู่ยังเหนียวแน่นมั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสาคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมื่อได้เห็นความกินประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วกิริถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันคือรูปประขันถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงตาย ประเภทยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาในสามสถานสี่สถานนี้ที่อาจุพะอสุผังทุกขังใิจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปมาได้ถ้าใจได้ซึ้งถึงทำสามสี่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยปล่อยอุปาทานความยึดมั่นในกาย เวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวนิจังทุกขังาตาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉยๆมันเป็นใจรักเหมือนกันลิสออกมาแต่ว่าไม่เป็นอสุภอสุพังอะไรเท่านั้นพิดมานิดหนึ่งก็มาเป็นใจรักนี่เสียเพราะใจลักเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหมวล สัญญาความจําได้ไหมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายใน จ, ใจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหาจูจ ม, มูกลิ้นกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาด้ยพินิพิจารณา ตามความมรบูบณ์ของแต่รักที่ประกาศกังวานอยู่ภายในขันนี้โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำไมใจจะไม่ปล่อยการถือยึดไว้ถือไว้เพราะความสาคัญผิดต่างหานี้เมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงทวงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่น สำคัญผิดเจ้าแบกหามจริงนี่ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือความเป็นพิษเป็นไยัยได้ถอนออกหมดด้วยปัญญานีึกพิจารณาดินี่หลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหนที่นี่อืมกิเลสมันมาเจ้าซุ่มเจ้าซ่อนอยู่ตามรูปทุกสัตว์ทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทําลายไปแล้วด้วยปัญญา เวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายนี่มันก็รู้เท่าทันแล้วถอนอุปทานจากความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยว่าเป็นเราเป็นของเราใช้แล้วสัญญาความจําได้หมายรู้ก็ถอนจากความเป็นเราเป็นของเราใช้แล้วมอบให้อนิจังทุกขคราตตาอันเป็นความจริงประเภทหนึ่งไปเสีย สัญญาสังขารวิญ ย, ยาณก็เหมือนกันมอบลงสู่ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันเชอบเห็นชอบของเราเนี่ยทนี้วิเลยที่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในรูปมันเข้าไม่มีเพราะถูกถอดถูกถอนลงไปโดยลำดับถูกฆ่าถูกฟันไปโดยลำดับสัพทานที่เกี่ยวโยงออกไปใกล้ไปไกลออกไปหารูปเสียงจินรดออกไปจากตาตาหูจมูกเลี้ยกาย ออกไปสัมผัสสัมพันธ์กระพุ้เสียงกลิ่นนวดเครื่องสัมผัสต่างๆก็ถูกทําลายลงไปหมดไม่มีที่สิบตอ่อแม้ภายในอายุตนาภายในก็ถูกทําลายลงไปกองรูป ก, ก็ทําลายลงไปด้วยปัญญากองเบชนากายเวทนาก็ถูกทําลายลงไปด้วยปัญญาสัญญาสังขานหมิญ่ญาณก็ถูกทําลายลงไปด้วยสติปัญญากิเลสประเภทต่างๆที่เคยหลบเคยซ่อนเคยยึดเคยถือ ให้เป็นเครื่องกดท่วงจิตใจบีบคั้นจิตใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนี่หลัการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตเด็กจะไปไหนบริษัทบริวารถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่องค์กสัตว์ใหญ่ของมันเท่านั้นเองอันเรียกว่าอวิชชาไม่มีสมุนไม่มี ทางออกหากินแล้วออกมาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเ้าออกมาได้ถูกตัดสะพานแล้วออกไปรูปเฉียงเป็นรถก็ยิ่งไกลถูกตัดเข้ามาโดยกำเนิดจนกระทั่งในขันก็ตัดขาดหมดแล้วไม่มีที่ต่อเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดว่าจิตนี้เป็นตัวการแห่งการเกิดการตายยังไม่ถึงขั้นดับอวิชชาก็ตา เพียงเท่านี้ก็ทราบแบบชัดแล้วว่าตัวอวิชชาปฏิญาณนี้พาให้สืบหนอต่อขแขนงออกไปกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณให้เกิดพบเกิดชาติที่นั่นที่นี่เป็นประเพออันใด น, นี้รู้ชัดเ็วลาขาดลงไปโดยลาดับลนดับไม่มีเงื่อนต่อนะก็ทราบชัดว่าเงื่อนต่อที่จะไปะให เกิดพบเกิดชาในผมนั้นผมนี้ไม่มีอันเป็นส่วนแบหยาบๆทั้งหลายไม่มีนอกจากส่วนละเอียดยังมีอยู่ในตัวของมันนี่นี่ก็รวมตัวเข้าไปอยู่ในจิตนี้จิตกับวิชาเ็าเป็นอันเดียวกันนั่นเห็นไหมความแ ย, ยบคายของกิเลสผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้เจอไม่รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนละเอียดเล่อเอาขนาดไหนเพียงแต่สมุนของมันที่สแสดงตัวออกมาเท่านั้นก็หลงกันมากเต็มโลกเต็ ม, มนงสานแ้วเหตุใดเราจะไปสามารถรู้กษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายได้ง่ายๆยิงต้องถากต้องถางต้องตัดต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไป แม้ที่สุดจนถึงจุดที่จะถึงปากถึงท้องอยู่แล้วมันก็ยังเอายาพิษไปวางไว้ตรงนั้นอีกจิตนีะ่ะไปเย็ดจิตซึ่งเต็มไปด้วยยาพิษเกี่ยววิชานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนั่นถึงว่ามันเอายาพิษไปสังไว้นั้นแล้วถ้าเย็ดนั้นก็เอาอีกถึงจะมาเกิดพบน้อยพบใหญ่ยอย่างนั้นก็ตาม เพราะที่เป็นสุขและแน่วแน่ต่อความบุพรมมันก็เป็นการล่าช้ายังถูกหลอกของวิชาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อได้พาดพันธันแหลกเข้าไประ ด, ดับเชื่ออยู่ที่ไหนจึงต้องติดตามเข้าไปนี่เชือ่ออันเป็นค่าศึกจอมค่าศึกอันแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนนั้นหีจากใจได้หรอเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเข้าไป อยางนั้นที่ตรงไปเจอวิชาทีา่มันกล่อ ม, มอย่างนันนั่นเราจะเห็นได้ว่าวิชาละเอียดขนาดไหนพอไปถึงจุดนั้นแล้วก็ว่าตัววิเศษวิโสมีความสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความองอาจกล้าหาญมีแต่เรื่องวิชาดัดทั้งนั้นตกตาปัญญาเลยไม่รู้ตัวสติปัญญาเลยกลายเป็นองคครักษารักษาวิชาตัวนี้ไ ยังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหมถึง ข, ขั้นสติขั้นปัญญาอัตโนมัติก็ตามมันต้องหลงกลจนได้ถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อนอย่างไรต้องเป็นอย่างนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้ไม่เร็วก็ช้าต้องนั่นเสีก่อนถ้ามีผู้แนะไว้ก่อนเนาะพอไปถึงจุดนี้ตามหลักความจริงของตนประจักษ์แล้วมันก็เข้าใจตัวเองอ๋อองค์นี้หลือที่ทันว่ายอย่างนั้นนั่นนั่นมัน ใส่เข้าไปทันทีพังทลายเลยไม่เลย so ชักช้านั่นทีอันนี้จังตุขังหน้าตาก็ไปรวมอยูอ่นั้นหมดอส่วนอันนี้จังตุกขังหน้าตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารมีญาณนี้มันหมดปัญหาไปแล้วผ่านไปแล้วไม่มายุ่งว่าอันนี้เป็นอ้จางนั้นเป็นทุกขงังนี้เป็นหน้าตาเมื่อผ่านผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสิ่งนี้เป็นทางหนึ่งอันนี้จังทุกขังหน้าตาเป็นตรารักเป็นทางเดินพเพื่อความหิ่มพ้นเมื่อมันผ่านพ้นไป ไปถึงไหนถึงไหนแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็หมดความหมายนะว่าอ น, นิจจางทุกขังนัตตาประเดิมแ่บไม่เป็นมาเสร็จมาสันกันอีกเลยอันนี้มันอันนี้ก็ไปรวมตัวอยู่กับนุนเพราะเป็นสมมุติด้วยกันอวิชชาเขาเป็นสมมุติอสมมุติอันสุดยอดของสมมุติละเอียดสุดยอดอ น, นิจจังทุกขังนาัตตาก็ละเอียดสุดยอดอยู่ในอวิชชานั้นนเี่ยสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็สุดยอดในธรรมเครื่องแาดปราม ปาทหารสมมุติฝ่ายวัตจักรด้วยสมมุติฝ่ายวัตจักรคือสติปนอืมยึดได้อย่างไงอีดอย่างนี้ยึดได้อย่างไงพิจารณาให้เช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วอยากเข้าใจว่าเป็นสูงเป็นต่ําเป็นที่ยืดเป็นที่ไว้ใจเป็น ที่ต้องใจเมื่อพิจาราเข้าไปเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายกันแล้วนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าจะว่าทิปฐาพันปิญญาหรืออุคติตัญยูก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่นานเป็นขั้นละเอียด ะว่างงานก็ง่ายแล้วมีแต่ยุกยยิบยุยบยิบอยู่ภายในจิตเท่านั้นนอกนั้นหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงประ น, นึ่งว่าเราไม่เคยพิจารณามาเลยคือจิตไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะไม่ติดใจต่อยมาแล้ววางมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปยุ่งทำไมมันรู้เองตรงไหนที่ยังมีสัมผัสสัมพันธ์ดูดดื่มอยู่ตรงนั้นแหละเป็นจุด ท, ที่อยู่แห่งข้าสึกจึงต้อง รอบตรงที่ตรงนั้นฟาดปานแหละกันที่ตรงนั้นพอจุดสุดท้ายพังธารลงไปด้วยปัญญาอันธันสมยัยแล้วก็หมดอีกเหมือนกันไปพิจารณาอะไรว่าอันนี้เป็นอาจารยทุกขัอนาตาใจเป็นในจารทุกขอนาตาได้อย่างไรนอะอันนี้อาจารทุกของอนาตาเป็นทางเดินเพื่อผลิพานต่างหากใจที่บริสุทธิ์และเป็นอนาตาได้อย่างไรใจที่บริสุทธิ์และเป็นอนาตานิพานเป็นอนาตานิพานก็เป็นแปรลรักตรสิเป็นของอริการะอะไร นะเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจริงไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนตัตตาเพราะทั้งสองนี้เป็นสมมุติด้วยกันอันนั้นไม่ใช่สมมุติเพรามีสายของสมมุติไปแล้วท่านจริงให้ชื่อเพียงว่า <c oughs> มีมุดเท่านั้นแล้วก็ไม่ขัดกับธรรมบทใดเหมือนคําว่าอนัตตาถ้าว่าคำอนัตาก็ขัดกับ ไตรลักษณ์นิพพานก็มากลายเป็นดึงพระนิพพานมากลายมาเป็นไตรลักษณ์ซะเองเป็นนิมมุตพ้นแล้วก็ <c oughs> วหมดปัญหาเมื่อถึงจุดนี้ว่าคิปาปิญญาก็ได้เพราะเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นอุคติตันยูก็ได้ทราบคลุมายาของกิเลสทั้งมวลโดยลา ด, ด, ดับๆไปถึงข น, น, นั้นยิ่งจะทราบเร็ม เรียว่าอุคติตนอยู่ก็ได้วิปยิตันอยู่ก็ได้หากมีมีผลเป็นเครื่องเทียบเทียงตนเองสอนตนเองพิจารณาโดยลําพังตนเองฟังเทศระหว่างอวิชชากับจิตหรือระหว่างขันกับจิตตั้งแต่ขันตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารมิยานไปแหละมีเป็นเรื่องฟังทำทั้งกลางวันกลางคืนส่วนรูปนี่ก็เวลาชั่วิชั่นานก็เป็นได้พิจารณาทั้งกลางวันกลางคืน ถึงขันอวิชชาไปแล้วไม่ต้องพูดเหมือนนำ้นำซับน้าสึมไห้ลิ่นดีทั้งแรงทั้งฝนสติปัญญาขั้นละเอียดกับกิเลสประเภทละเอียดมันตามกันมันพิจารณากันมันต่อสู้กันจนกระทั่งหมดสิ่งที่จะต่อสู้หมดค่าศึกหมดสมมติหมดศัตรูภ า, ายในจิตใจแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเปียวอยู่เหมือนธรรมจักก็หมดปัญหาไปเอง เพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติฝ่ายแก่ส ม, มุทัยก็เป็นส ม, มุดฝ่ายผูกมัดเมื่อฝ่ายนั้นซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสสิ่งสุดลงไปหรือหมดปัญหาลงไปแล้วปัญญาจะไปแก้อะไรอสติประเภทมักจะไปแก้อะไรแต่ตามพิจารณาอะไรควบคุมอะไรหรือถ้าพูดเราพูดก็ว่า ชาติในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองหรือว่าปัญญาในหลักธรรมชาติแต่ว่าปัญญาก็เป็นญาณไปเสียญาณอันนี้ถ้าท่าว่าวแยกกันหนึ่งมันก็เป็นสมมูลธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นภาพเป็นมีมุดไม่มีอาการอันใดที่แสดงอาการออกอันนั้นเป็นสมมุูลทั้งมวลอาศัยกันไปเพียงระยะชั่วขันแตกสลายเท่านั้น พอหมดเป็นพอขันแตกจะไหไปแล้วก็อันนี้ก็หมดปัญหาอาการทั้งมวนี้ก็เป็นปารามสมมุติทั้งหมดการมีร ม, มุ่นั้นไม่เคยนักโทษไม่เคยผู้ต้องหาจะไปต้องไปเทือยหาตังคืขีต่างนามไปหาค้นคว้าไปมาไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรเนีถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ยังจะตามจับกุมคุมตัวมาทําโทษนะ เป็นมิมุติขอให้มันเป็นนั้นเถอะใครเป็นก็รู้ได้ทุกคนนั่นแหละสันติติโกพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนจะพึงรู้โดยลําพังตนเองสันติติโกจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติสติปัญญาของตอนเองปัจจังเวรตโบวินยูท่านผู้ทั้งหลายจะพึนรู้จออําเพาะตน น, นั่นก็หมดปัญหาเนี่ย หนักมาขนาดไหนทุกมาเพียงไรก็ต่างเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันลบล้างกันหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่เสียดายความเพียรทั้งตนที่ทำมาหนักเบามากน้อยเพียงไรแทบล้มแทบตายไม่เสียดายกำลังความเพียรที่ทำอยู่นั้นด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะมันเกินคาดเกินหมายเป็นทำล้นข้าทาไมเราจิก้องมา ถือความทุกข์ความลําบากนี้เป็นอุปสรรคเราจะเห็นธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไงต้องคิดอย่างนั้นนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแออันเป็นกลมายาของจิตเดกทั้งมวลมีอยู่รอบจิตใจของเราถ้ากันคิดอ่านใจตองให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบเรื่นดีงามสมนามหน้าเราเป็นผู้มาชํานักที่เลื อย่าให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรากิริยามายากอาการแสดงออกทุกเนี่ยทุก ม, มุมอย่าให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลดังที่เคยเป็นอยู่นี้ให้เป็นเรื่องของธรรมได้มีโอกาสแสดงออกมาบ้างโดยความพยายามของเราสมกำนำานว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักต่อสู้เป็นนักไข้ครวญเพื่อความรู้ควอมฉลาดวันนี้เคอเป็นตนนี้ยุติแล้ว